ธรรมะชาดกแผ่นที่11ดลำดับที่8โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุรุธานีแสดงธรรมในวันที่14พฤศจิกายน2557มีชื่อเรื่องว่ามงคลเทวดาเมื่อนี่หลวงพอ่อผากณนนะัท่าแย่ิโยมลูกหลาน ออกมาใส่สล่า้างนอกพ่อมาออกมาทางนอกได้ยินเสียงนกเขานกเขามันขันแทบแบเนี่ยมันอยู่ไก่ทงหน้าเด้สล่นอกมันอยู่ไก่ทงหน้านกเขาเนี่จะชอบอยู่ทีดลงลงอยู่ในป่าของเขานะวัดของเขานุบควายได้ยินอกเสียงนกเขามันขันพอะเหตุใดเพราะว่ามันมีแหลมมีดเยียวเยียวนกเขาเนะขันเห็นนกเขาเนั้น เยียวตอนนั้นบินโฉบ ป, ปั๊บโดดตรงไปนกเขาเนี่ไปว่าสูบอะไรเนีขนาดบินเร็วๆนะบินเร็วๆเนี่ยสูบเยี่ยวอะไรเดียวเออเดี่ยวนกเขาไงเขาว่าเดียวนกเขาเขาเขาเป็นอริศตูกับนกเขาโดยตรงอย่างนั้นงั้นนะว่าถ้านกเขาจงออกมาอยู่ทางนอกอยู่ที่ทีลงๆเพื่อความปลอดภัยของมันพ่านนั้นแล้วเราออกมาเราจะได้ยินเสียงนกเขามันขันโอ้มวเนเลย ขันขั น, ข น, ข น, ขน ห, ลหลายตัวสมัยเป็นเน้นหน่อยอพวกทหารเกณฑ์อยู่บ้านนอกเลยเขาไปในเมืองไปหาไปเป็นทหารเกณฑ์วันละปน้าทหารเกณฑ์จะเป็นชอบนกเขาขันบ้างนกเขาเลี้ยงนกเขาเอาหน้าไปนกเขาขันนกเขาแข็งเพราะเห็น ทหารเกณฑ์เข้าไปเลยเอ้ ย, อยบ้านของมึงมีนกอนกเขานกขันเสียงใหญ่มีไหมพันวะทหารเกณฑ์นี่ยบอกว่ามีครับพันวะมันมันขันยังไงมันเสียงใหญ่ยังไงมันขันขีทีพดผึ่ง <laughs> ท, ทหารเกณฑ์บอกกันออกไปทั้งที่ ทั้งที่เจ้าหน้าอยากกูเจ้ากูาเจ้าว่านกเขามันขันเสียงใหญ่ปันไดวะเราไปประธานทหารเขียนว่านกเสียงใหญ่ก็มีอยู่แล้วย่อมขึ้นมบนห้องขี่เทือยพืชพึงมัน <laughs> นกขี่ทีมันห้องเสียงใหญ่ได้เมืนบมดละตลวงพ่อได้ยินนลพ่อยังคขำอยู่เราไปเจ้าหน้าอยากได้นกนกเขาขันเสียงเสียงใหญ่เราไปมันเป็นนั่นแหละนกนกเขาจะได้ขันเสียงใหญ่นี่ยมันมีราคาในสมัยก่อน ก็เลยถามทหารเกณฑ์ยทหารเกณฑ์พอตอบปอตอบนกกีทีบ่เ น, นี่ยคนละแนวกันวันนีไปเข้าใจคนละแนวโอ้มันในมีพระทั้งหมดยี่สิบเจ็ดรูปลกมาฉันยี่สิบสามงดฉัน4ีวันนี้เป็นวันที่สิบสี่พฤศจิกายนพุทธศักราชสองพันห้า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 ชั้นล่างออกไปอีกต่อปอีกแต่พื้นก็มีอยู่แล้วละ่ะแต่เราคงจะทำพื้นเสริมเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งวันที่1 6วันที่16ที่จะถึงนะ่ในช่างจะเข้ามาเพราะนั้นพวกเราก็ควรจะเตรียมออกมาฉันข้างนอกแล้วต่อไปในช่วงที่ในช่างต่อเติมศาลาพวกเรากคงจะออกมาฉันอาหารข้างนอกจากช่วง ร, ระยะหนึ่ง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 เราก็ควรจะเข้าสู่วัดวาศาสนาเหมือนกับศาสนาอื่นของเขานะ่ทุกวันอาทิตย์อย่างนี้เป็นต้นหรือศาสนาอิสลามอย่างนี้ก็ทุกเขาวางสิเขาขยันกว่าเราเยอะนะแต่พุทธศาสนาขนาดแปดค้าสิบห้าาพวกเรายังปล่อยปาละเลยอันนี้ก็ไม่น่าจะถูกเหมือนกันนะหลวงพ่อว่านะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่าน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 ประกอบคุณงามความดีไม่ยอมไปหาใครเลยต่อไปก็ล้อยหลอไปเรื่อยๆเพราะกิเลสฝ่ายต่ำน่ะมันจะเข้ามาครองใจของเราเมื่อครองใจของเราเสร็จแล้วก็ครองการกระทำของเราแล้วก็ครองความพูดของเรารลในสุดเราก็เลยหมดในโลกนะั้นไม่มีอะไรที่จาเป็นสาคัญขึ้นมาเพราะอะไรเพราะกิเลสเข้าไปครอบงา วันนั้นอย่างวันพระอย่างนี้พวกเราเคเข้ามาสู่วัดวาศาสนามาก็เอาเห็นกันได้ศึกษาปาลบกันท ร, รมัศทำมชากัดฉามีอะไรก็พูดคุยกันในบรรดาพุทธบริษัทตลอดถึงพระสงฆ์ดั่งหลวงพ่อพอเข้ามาหลวงพ่อก็จะแสดงความคิดเห็นให้กับคณะศรัทธาญาติโยมพอหลวงพ่อใยในการศึกษาเรียนรู้ เรื่องวิชาทำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านประกาศ8 000, 000, ปดหมสีพันพระธรรมนั้นมาขันนั้นวันนี้จะเอาอะไรมาพูดให้คณะสัตา ย, ยาญาติโยมกลุ่มของเราฟังพุทธบริษัทของเราได้ฟังเราจะเอาเรื่องอะไรมาพพดอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นพวกเรามาก็จะได้ยินามาคราวนี้ก็ได้ยินเรื่องหนึ่งมาคราวคราวต่อไปก็ได้ยินได้ยินเรื่องนึ่ง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 เลทุกเหลี่ยมทุกแง่ทุกมงถึงศาสนาไหนจะมาถามคนในศาสนาของเราศาสนาพุทธของเราพระสงฆ์ทั้งหลายสิทธิอนุสิทธิทั้งหลายของเราก็พร้อมที่จะโต้วาทะเขาได้ทกรูปแบบนะพระพุทธองค์ก่อนที่ท่านจะผรินิพพานนะนะท่านมองจุดนี้อีกจุดหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกเราที่เข้ามาสู่วัดวาศาสานา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 เนี่ยแหะอันนี้ก็คือความคิดในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะแต่มีคนพูดขึ้นมาในครั้งก่อนนะเพียงคนเดียวนะยังจะเทือนสะท้านไปทั้งทั่วโลกจนถึงชั้นสวรรค์ด้วย เ, เพียงคาพูดคำเดียวสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าของเราเสด็จประทรับอยู่ที่กรุง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 ขอความเป็นสิริมงคลจงเกิดกับข้าพเจ้าตลอดไปพอพูดดันนั้นคนนั้นก็ลง อ, อหายหายไปไม่รู้ใครเป็นคนพูดนะคนได้ยินก็นเอ๊ะคําว่าสิริมงคลเป็นคําพูดที่ถูกต้องวะเล่าก็เป็นสิริมงคลสําหรับตนตลอดไปเนี่ยก็ถูกต้องอีกเหมือนกันขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีสิริมงคล ในชีวิตของข้าพเจ้าตลอดไปอันนี้เป็นคาพูดที่ฟังดูแล้วถูกต้องก็มาถกเถียงกันอันไหนเป็นมงคลาถามกันในชุมชนถกเถียงกันอันไหนเป็นเป็นมงคลคนหนึ่งว่าได้เห็นรูปสวยๆงามๆาตื่นขึ้นมาแล้วก็เห็นสิ่งที่เจริญตาสวยงามอันนั้นแหละเป็นมงคล คนหนึ่งก็ว่าไม่น่าจะใช่เพราะเหตุว่าตื่นขึ้นมาบางทีก็เห็นเขาหน้าบูดหน้าเบี้ยวใส่ทำเห็นเขาเบี้ยวปากใส่บ้างเอเห็นเขาแสดงอากัปกิริยากับเราก็ไม่ใช่ว่าตื่นขึ้นมาเราจะเห็นแต่ ม, มงคลมันก็เห็นสิ่งที่ไม่เป็นมงคลด้วยสิ่งที่ไม่พุ่งพิงปรารถนาไม่คําว่าเห็นคํานี้นะมันไม่น่าจะถูกต้องนะก็เลยก็มาไล่กันจนถึงเขาว่าได้เย็นบ้าง ได้สัมผัสบ้างอะไรต่อเมือะไรผลที่สุดไม่มีใครที่จะตัดสินใจได้ผลที่สุดเทวดาอีกได้ยินอีกเีนี้เทวดาได้ยินมนุษย์โกลาหลนที่ถกเถียงกันอีกเทวดาภูมิมะเทวดาอย่างที่หลวงพ่อพูดอย่างเนี้ยภูมิภูมิมะเทวดาสิงสถิอยู่นี้ยแกเอ๊ะคำว่เ า, าเป็นมงคลคืออะไรเนี้ยเทวดาก็สงสัยอีกเหมือนกันไปถามกันอีกนี่ จนถามกันจนถึงอากาศเทวดาจนชั้นจาตุมาดายามาตุสิตาดาวดึงยามาขึ้นไปเรื่อยจนถึงผมก็ไม่มีใครที่จะแก้ได้คำว่าสิริมงคลกับตนเองนั้นคืออะไรนะพระนิสุกก็ได้พอินได้ยินอีกเหมือนกันโอ้ไม่ได้นอกจากพระพุทธยานะาพระพุทธยาก็เด็สเสดลงม า, าลงมา พระอินทร์เสด็จลงมากับพร้อมกับเทวดาเป็นหมื่นจักรวาล น, นะเนี่ยเพราะว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่คาใจของเทวดาคําว่ามชดิมงคลกับตนเองนั่นคืออะไรนะนะนะจึงนั้นมาถามพระพุทธเจ้าในเวลาเที่ยงคื น, นพระองค์ก็เฉลยปัญหาที่เทวดาถามทเท ว, วดาเหล่านั้นก็ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลมากที่สุดในในครั้งคราวนั้นที่พระองค์แสดงเรื่อง มงคลนะแต่พระองค์ก็บอกว่าที่เราจะแสดงมงคลขืนที่ผ่านมาเนี่ยนะยังไม่เป็นหน้าอจจรจันะในอดีตชาติของเราเนะี่ยเราเป็นเศษเราเป็นลือศีอยู่ในป่าเขาถามกันเรื่องมงคลเนะี่ยเราก็ได้อธิบายให้เขาฟังในชาตินะั้นคนทั้งหลายเข้าใจในมงคลของเราในคราวนั้นนะมากทีเดียวจนถึงเทวดานะ ข่าวนั้นนะเรายังไม่ได้ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นแทนเพียงสวยชาติเป็นลือศรีเราก็จะมีความฉลาดอตอบปัญหาเรื่องมงคลให้กับพวกคู่คนทั้งหลายในยุคสมัยนั้นตอนนี้พระสงฆ์ทั้งหลายก็กราบทูลถามว่าสมัยนะั้นพระองค์ได้ตรัสเรื่องอะไรหนอไปเจ้าค่ะสมัยปืนลือศรนะีพระองค์บอกว่าฟัง แต่พระองค์ก็ได้แสดงมงขนแปนะเออมงขน8ประการแต่แตกต่างนะหลวงพ่อได้ฟังฟังดูแล้วแตกต่างกว่าที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังดีกว่าสมัยเป็นโพธิสัตว์พระพุทธองค์ยกอะไรขึ้นก่อนนีคือพระพุทธองค์ยกสมัยนั้นนะยกเรื่องเมตตาขึ้นก่อน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 เราอยู่ในสถานะไหนให้รู้จักในสถานะของตนเองเนี่ยแท่านก็นไล่ไปอย่างนี้ยสรุปแล้วก็คือมงคลแปดในสมัยนั้นนะแต่พอมาถึงที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่เทวดาที่พระที่พระอินมาถามพร้อมกับเทวดาในคืนวันนั้นที่วัดป่าเชตตะวันมหาวิหารพระพวทองค์ได้ตรัสว่า มงคล38ประกาศขึ้นต้นว่าอาเซวานาจะบาลานังบันฑิตานั่นจะเสวานาปูชาจะปูชนียานังฮะอันนี้คือพระพุทธองค์ยกบุคคลนะแต่สมัยเป็นฤาษีนั้นท่านยกคุณธรรมคือเมตตาขึ้นมาเป็นหลักแต่มาในครั้งที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้เนี่ยท่านยกยกบุคคลอเซวานาจะพาลานัง อย่าไปคบคนผ่านให้ครบบัณฑิตสรุปแล้วให้ครบคนดีให้ครอบบัณฑิตอย่าไปครบคนผ่านอเซวนาจะพาลานังบัณฑิตตานังจะเสวนาให้ครบบัณฑิตปูชาจะปูชนียาหนังบูชาบุคคลที่ควรบูชาเนะนี่แหละพระพุทธอง์ก็ไล่เป็นข้อข้ อ, ข, อข้อไปจนถึงมงคล38นะเพราะฉะนั้นให้พวกเราศึกษาดูว่ามงคล38ประการนั้นมีอะไรบ้างนะ จนถึงทาจิตใจให้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสในที่สุดในมงคลของพระพุทธเจา้าพอเทวดาที่พระอินที่เป็นเผินผู้พานำมาให้เทวบุตรเป็นคนทูลถามเทวดาทั้งหลายเมื่อได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วได้สำเร็จมกักสาเร็จผลมากในมงคลลสูตรนี้นะเพราะให้พวกเราศึกษา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 ทำก็ในทำไปในทางที่ถูกต้องทําสัมมาทิฏฐิพูดก็เป็นให้เป็นสัมมาทิฏฐิจะได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันนะี่แหละในหลักธรรมคาสอนพุทธองค์ที่ท่านได้ตรัสเอาไว้แต่สรุปแล้วก็คือศีลและธรรมของพระพุทธเจนะ้าเนี่ยหลวงพ่อมาดูดูวิเคราะห์ดูแล้วเนะนี่ยศีลเพียงศีลห้าของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองนะ่ะอข้อที่หนึ่ง อยากคิดฆ่ากันคำว่าอย่าคิดฆ่ากันเท่านี้แหละถ้าเปรียบเทียบกับกฎหมายบ้านเมืองแล้วโอ้โหควบคุมไม่รู้ว่ากี่กี่ร้อยมาตราอคิดกว่าอะไคิดว่าอย่าฆ่ากันนะเพียง เ, เพียงสินข้อที่หนึ่งเท่านั้นนะเอมันควบคุมไปตั้งหลายร้อยมาตราอ ค, าคําว่าฆ่าสัตว์นอแต่ กฎหมายนะั้นยังมีว่าฆ่าสัตว์ที่เขาเลี้ยงฆ่าสัตว์ที่ถูกต้องตามกฎหมายฆ่าสัตว์อส่งวนห่วงแหนฆ่าสัตว์ทีเ่เป็นอยู่ในป่าส่งวนฆ่าสัตว์ในป่าอนุรักษ์อะไรมันมีเยอะแยะไปกฎหมายของเขามาตราไหนมาตราไหนนะแต่พระพุทธเจ้าห้ามเลยว่าอย่าฆ่าสัตว์เ อ, อืถึงจจะอยู่ในที่ไหนก็ตามการฆ่ากาันไม่ดีทั้งนั้นให้คิดดูว่าเขาเรา เราเราก็กลัวตายคนอื่นเขาก็กลัวตายในเมื่อไปฆ่าเขาล่ะเขามีความรู้สึกยังไงในเมื่อเขามาฆ่าเราล่ะเรามีความรู้สึกอย่างไรในศินข้อที่หนึ่งควบคุมทั้งหลายร้อยมาตราทีเดียวนะถ้าเราวิเคราะห์ออกมาแล้วอทินนาทานก็เหมือนกันควบคุมหลายร้อยมาตราอีกเหมือนกันกาเมสุมิจฉาจานก็เหมือนกันควบคุมหลายร้อยมาตราเหมือนกันเฮามุสาก็เหมือนกันต้มตุ๋นหลอกดวงคนอื่นเขา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 ข้อสุดท้ายเนี่ยเป็นข้อที่ครอบจักรวาลข้อที่1นึ่งที่สองที่สาที่สีปไว้อยู่ในข้อที่ห้านี้รวมกันมาอยู่จุดนี้นะเพราะคนขาดจิตคําว่าขาดติคํานี้นะมันทําความชั่วช้าเสียหายได้ทุกอย่างนะเพราะฉะนั้นศินของพระพุทธเจ้าหรือว่ากฎเกณฑ์ของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจนะ้าเนี่ยถ้าเรามาวิเคราะห์นํามาพิจารณาการกลองไรตรตองด้วยเหตุและผลแล้วนะ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 รู้จักสัมมาคารวะในการอยู่ด้วยกันอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเป็นมงคลถึงแปดแปดประการแต่หลวงพ่อคงจะไม่บรรยายทุกข้อนะอันนี้คือหัวข้อหลักแต่หัวข้อที่พระพุทธเจ้าได้ตรัตรู้ที่ท่านแสดงที่วัดป่าเชตะวันที่พระอินพร้อมกับเทวดามาเข้ามากล่าบในคืนวันนั้นพระองค์ก็บอกว่า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 อะเสวนาจะบาลานงบัณฑิตานั่นจะเสวนานะให้ข้าว่าอย่าไปครบขนผ่านให้ครบตะบันดิตนะอันนี้ถ้าหากว่าเรามาย่นเข้ามาอีกนะเราใช้สติใช้ปัญญาของเรานะในตัวของเราในใจของเรากำมันมีในคนเดียวในใจของเราเนะี่ยมีบัณฑิตด้วยมีผานมีผานด้วยนะในความชั่วกับความดีมันอยู่ในใจของเรา ถ้าช่วงไหนเราคิดชั่วนะโมโหโกธาอยากจะทำความชั่วมันมีมากนะาความชั่วนะ่อันนั้นแหละเป็นผ่านใจของเราออกไปทางผ่านผานละชนนะแต่ทางจิตใจในช่วงไหนะอยากจะไหวพระสวดมนต์อยากจะภาวนาอยากจะไปเคารพพ่อแม่เออเกือ้อแสดงความเคารพสักการะสิ่งที่เป็นมงคล พ่อแม่ครูบาอาจารย์สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไหว้พระสวดมนต์อันนั้นแปลว่าบัณฑิตให้ครบให้ครบบัณฑิตอย่างนั้นถ้าครบบัณฑิตอย่างนั้นมีแต่ความเจริญนะถ้าครบเป็นพาลชนในใจของเราเถ้ามันอยากจะกินเหล้าก็กิน อ, อยากจะเล่นไฮโลอยากจะทำความชั่วช้าเสียหายมากมายเราก็ไปทำตามมันแปว่าเราครบคนผ่านใจของเราเป็นผ่านนะ ให้เราแยกตัวของเราด้วยนะไม่ใช่ว่าตัวของเราจะเป็นบัณฑิตอย่างเดียวก็ไม่ใช่จะเป็นภาลชนทีเดียวก็ไม่ใช่มันอยู่ในจิตใจของเราให้เลือกครบทีนี่อันไหนที่เป็นบัณฑิตอันไหนที่เป็นนักปราดนะเอ็นที่เป็นปราดก็คือศีลธรรม<จ>รถ้าพวกเรามีศีลธรรมในจิตใจนั่นะใจของเราเนี่ยเป็นปราดละช่วงนั่นนะถ้าใจของเราไปในทางกิเลสโลภโกรธหลงล่ะไปทางชั่วช้าเสียหาย อาณาจใจของเราเป็นภาละชนให้พวกเราเลือกคบนะถ้าเลือกเลือกครบจะบัณฑิตนักปราดเพื่อความเจริญโดยส่วนเดียวนะถ้าไปคบกับภาละชนแล้วภาระชนพาถลําไปในทางชั่วกนะว่าจะรู้ได้ที่ไหนไดนะ้ไปอยู่ที่ไหนอคุกตรางที่ไหนก็ไม่รู้เลยใช่ไนม เ, เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะคณะจัตตาญาติโยมลูกหลานทุกคนอย่างที่หลวงพ่อได้พูด เ, เบื้องต้นว่าเนะี่ย เข้ามาสู่วัดวารศาสนามาเข้ามาสู่วัดอย่างมาวัดหลวงพอ่อหลวงพ่อแสดงความคิดเห็นให้ฟังอย่างที่พวกเราได้ยินได้ฟังในวันนี้ล่ะเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็นำไปคิดดูซิถูกต้องไหมได้เมื่อคิดเอาไปนำไปพิจารณาถูกต้องแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขการกระทาข้องใรของเรากายวายใจใจของเราเราจะมีแต่ความสุขความ สบายใจตลอดไปน ะ, ะการพูดกล่าวในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาเอาตอนนี้ไปตั้งใจรับพร